โอวาส4ของท่านเหลียวฝนันโอวาดข้อที่1การสร้างอนาคตตอนคำพยากรณ์ของผู้เท่าคงพ่อนั้นกำพ้าท่านบิดามาแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิันยากของลูกในเวลานั้นก็มีอายุมากแล้วท่านบอกให้พ่อเลิกคิดจะเป็นกุนนางเสียหันมาเรียนแพทย์ดีกว่าท่านบอกพ่อว่าการเป็นแพทย์นั้น นอกจากจะยึดเป็นอาชีพเต็ดีแล้วยังจะช่วยคนยากจนได้อีกด้วยถ้ามีความสามารถดีก็จะเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นความปรารถนาของท่านบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วต่อมาพ่อพบผู้เท่าท่านหนึ่งที่วัดชื่อหวีนชื่อท่านมีเครายาวพระศีผ่องใส ย, ยิ่งนักรูปร่างสูงใหญ่สง่างามราวกับเทพป ย, ยดาพ่อจึงคารวะท่านด้วยความเคารพ ท่านพูดกับพ่อว่าเธอจะได้เป็นขุนนางนะปีหน้าสอบผ่านได้ทั้งสามขั้นฉนันจึงไม่เรียนหนังสือเล่าพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังแล้วถามชื่อแท่และที่อยู่ของท่านท่านตอบว่าท่านแท่คงเป็นชาวอินหนานได้เล่าเรียนวิชาโหารศาศาสตร์อันเป็นตำราดั้งเดิมถ่ายทอดกันมาโดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมบันไดให้ไขว้เขวเลย ซึ่งเป็นตำราของท่านพระมหโหราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ซ่งราวปีพุทธศักราช 1503-1670 ท่านผู้เท่าคงต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่พ่อพ่อจึงพาท่านมาบ้านเพื่อมาพบท่านย่าของลูกท่านย่ากำชับให้พ่อตอนรับท่านผู้เท่าให้ดีแล้วทดลองให้ท่านพิยากรดูปรากฏว่าม่นยำไปเสียทุกสิ่ง แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ผิดพลาดเลยพอจึงเริ่มเรียนหนังสือใหม่ก็ท่านลุงของลูกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อนี่แหละท่านแนะนำพ่อไปเป็นนักเรียนกินนอนที่สานักเรียนแห่งหนึง่งท่านผู้เฒ่าคงได้พยากรพ่อไว้ว่าจะสอบผ่านทั้งสามขั้นขั้นแรกจะได้คะแนนมาเป็นที่14ขั้นกลางจะได้ที่71และขั้นที่สจะได้ที่9ปรากฏว่า ผลออกมาเช่นนี้จริงๆต่อมาท่านกับพยากรอนาคตกับพ่อไว้ว่าปีใดจะสอบได้เป็นนักเรียนหลวงได้ข้าวพระราชทานเป็นจํานวนเท่านั้นถังปีใดจะสอบขั้นสุดท้ายปีใดจะได้เป็นนายอำเภอเมื่อเป็นนายอำเภอแล้ว3ปีครึ่งก็ควรลาออกจากราชการเพราะอายุ53ปีก็จะสิ้นอายุไถจะนอนตายอย่างสงบในวันขึ้น14บี่คาำเดือน8 เวลาระหว่างตีหนึ่งถึงตีสน่าเสียดายจะไม่มีบุตรไว้สืบสกุลพอได้บันทึกไว้ทุกคำพอกันลืมในการต่ อ, ตอมาคำพยากรณ์ของท่านผู้เท่าคงก็ยังคงแม่นยำเสมอมามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากรณ์ไว้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจำนวนหนึ่งแล้วจึงจะได้สอบขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั้น ยังไม่ทันที่พ่อจะได้รับพระราชทานเข้าหลวงครบตามจำนวนที่ท่านพิยกรไว้พ่อก็ได้รับคำสั่งให้ไปสอบคราวนี้พ่อสอบตกพ่อเริ่มสงสัยในคำพิยกรอยู่ในใจแต่แล้วในปีต่อมามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นกรรมการตรวจสอบให้พ่อท่านเคยชมพ่อว่าคำตอบทั้งห้าของพ่อนั้นเขียนได้ดีเหมือนขุนนางผู้ใหญ่ที่เขียนทูลเก้าถวายความเห็นต่อห้องเต้นันเดียว ท่านว่าถ้าคนไม่มีความรู้จริงย่อมเขียนไม่ได้เช่นนี้ความสามารถของพ่อย่อมจักเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินแไหนจริงจะถูกทำนะํำลายนาคศิลาท่านจึงสั่งให้พ่อไปทํางานกับท่านและให้รับพระราชทานข้าวหลวงย้อนหลังจนครบจํานวนที่ขาดไปปรากฏว่าเท่าจํานวนที่ท่านผู้เท่าคงคํานวณไว้พอดีตอนพบท่านวินกุเถระผู้พิกชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งทำให้พ่อเพิ่มความเชื่อถือในคํำพยารของท่านผู้เท่าของยิ่งขึ้นเพราะอุปสรรคที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นทำให้เห็นได้ชัดจริงขึ้นว่าชะตาชีวิตนั้นได้ถูกลิขิดมาแล้วอย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วจะมีใครเป็นอุปสรรคอย่างไรก็หนีไม่พ้นพ่อจึงปล่อยใจให้เป็นไปตามยถากรรมไม่มีความกระตือรือร้อนไม่ทะเยอทะยานขวนขวาย ไม่ดิ้นรนที่จะเอาดีไปกว่านี้อีกต่อไปทำให้จิตใจสงบดียิ่งนักเมื่อพ่อสอบได้แล้วเช่นนี้ก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงอยู่ในมหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่งปีพ่อไม่ได้ดูหนังสือหรือตาราเรียนใดๆอีกเลยเอาแต่นั่งสมาธิไม่พูดไม่จาไม่คิดอะไรทั้งสิ้นพอครบหนึ่งปีพ่อก็ได้รับคำสั่งให้ไปเข้ามหาวิทยาลัยของหลวงทางใต้ อันเป็นสถาบันสุดท้ายที่นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามขั้นตอนต่างๆในภูมิลาเนาเดิมของตนมาแล้วจะต้องเข้ามาฝึกฝนเตรียมตัวสอบเพื่อออกรับราชการต่อไปแต่ก่อนที่พ่อจะเข้าไปยังสถาบันนี้ได้แวะไปที่วัดชีเสียสารเพื่อคารวะท่านวินกุเทรสิก่อนพ่อได้นั่งสมาธิกับท่านสองต่อสองเป็นเวลานานถึง3วันสามคืนโดยไม่ได้หลับนอนเลย พระเถระกล่าวกับพ่อด้วยความแปลกใจว่าอันธรรมดาบุทุชนนั้นจิตใจว้าวุ่นสับสนจึงไม่สามารถบรรลุฌานได้แต่พ่อนั้นทะนานไหนนั่งสมวันสามคืนแล้วยังไม่เห็นจิตใจวกแวกเลยพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังว่าท่านผู้เท่าคงได้พยากรณ์อนาคตของพ่อไว้แน่นอนแล้วคิดวุ่นวายไปก็ไร้ประโยชน์จึงทาใจให้สบายไร้กังวลดีกว่า ท่านวินกุเทระหัวเราะร้องว่าโถเอย๋ยนึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วสิอีกที่แท้ก็ยังเป็นปุตุชนท่านเทระกล่าวว่าอันที่จริงคนเรานั้นถ้าจิตใจไม่ว้าวุ่นทำใจให้สงบได้แล้วก็เกือบจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์พ้นจากความเป็นปุตุชนได้แล้วแต่คนธรรมดานั้นจิตใจยากที่จะสงบระ ง, งับได้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 ชะตาชีวิตจะทำอะไรได้โหราศาสตร์นั้นยังไม่ถึงกรรมดีกรรมชั่วของคนเราหรอกวิชาโหราศาสตร์จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดไม่ได้เพราะคนดีนั้นถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งไว้ว่าไม่ดีอย่างไรแต่พลังแห่งกุศลธรรมนั้นใหญ่หลวงนักสามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้ คนอายุสั้น ก, ก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ในทํานองเดียวกันคนที่สร้างอกุศลกรรมไว้อย่างหนักจะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกันแม้จะถูกลิขิดมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างไรแต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนักย่อมสามารถเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์ความมีลาบยศกลายเป็นหมดลาบยศความมีอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกันส่วนพ่อนั้น ปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมมา20ปีชะไหนจะไม่ใช่บุตุชนเล่าเพราะกาบถามท่านอีกว่าถ้าเช่นนั้นชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้หรือท่านตอบว่าชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอนอนาคตเราต้องสร้างของเราเองคนทำดีชะตาก็ดีคนทำชั่วชะตาก็ชั่วเมื่อต้องการอนาคตดีก็ต้องทาดี แต่ถ้าทำความไม่ดีแม้ชะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ในพุทธธรรมได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการลาบยศย่อมได้ลาบยศผู้ใดต้องการบุทธทิดาย่อมได้บุทธทิดาผู้ใดต้องการอายุยืนย่อมได้อายุยืนหากประกอบแต่กรรมดีย่อมสมปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวเช่นนี้พ่อซักท่านตอไปว่า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 ก็จะติดตามมาเองเพราะฉะนั้นการสแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนั้นย่อมได้สิ่งที่ดีงามตามปรารถนาในทานองเดียวกันหากไม่สำรวจตนเองไม่เริ่มตนทาความดีจากตัวเราเองกลับดิ้นรนคิดสแสวงหาจากภายนอกแม้จะสแสวงหามาได้ก็เป็นเพียงได้ตามชะตากำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่ได้เพราะความดีของเราเพราะการสแสวงหาจากภายนอกนั้น อาจจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมลเอาด้วยคาถาแสวงหาด้วยแรงขับของกิเลสตัณหาจึงไม่ทันได้คำนึงถึงศีลธรรมเป็นการสูญเปล่าทั้งสองทางทางธรรมก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีกการแสวงหาจากภายนอกนั้นจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร